s Longloy, t h n หลังลวงหลอกใจข้าสิ่งที่ไฟันง y o u b e r n a p a t of sand. ับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทั้งบ้านนะครับมาทันโลกแทนเด็ดการมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะในช่วงมาปลายเดือนมิถุนายนซึ่งก็บวันที่24มิถุนายนมีการจัดการเสวนาทางวิชาการการําำลึก นะในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ยีมิถุนาสองสี่นะซึ่งมีการนะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีหลากหลายจัดเสวนากันนะครับนะมีาการพูดมีการคุยนะจัดฉายหนังกันอยู่แถวแถวอนุสูรีไปชาใต้ก็มีนะครับนะเสวนาสถาบันพ ร, ระปกเก้านี่จัดเสวนาทางราชการนะครับนำะหนังพิชาการมาพูดมาคุยกันหลากหลายก็88ปปีแล้วครับนะก็พัฒนา ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งกันต่อไปนะครับนะก็ดูช่วงนี้ได้มีขา่าวกันหลากหลายนะครับนะแต่ที่น่าสนใจเลยก็ขา COVID ่าวโควิดนี่ก็ยังยังติดตามกันอยู่นะเห็นบอกว่าจะมีการปลดล็อกนะครับนะเป็นเฟสหามีการให้ประชาชนได้ทำมาหากินกันตามปกติเพราะว่าเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างที่จะจะหนักหน่วงแล้วครับนะซึ่ง ตรงนี้นี่ก็หลายคนเรียกร้องแล้วครับให้ใหมีการปลดล็อกกันตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของพลกอฉุกเฉินนี่กําลังมีการประเมินมีการศึกษากันอยู่จากสิกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยังยังยังยังไม่รับปากแต่ว่าในส่วนของการปลดล็อกของโควิดนะครับก็จะบอกว่าจะเป็นเฟสที่5นะ้าจากการเปิดเผยของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินนะโคศก ศูนย์บริหารสถานการณ์นะการแพร่รนะบาดของโควิด -19 เกนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นี่เราไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะมานะเกิน28วันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีติดเชื้อจากต่างประเทศนะบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่ในนะสะสมอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่58ารายนะครับ แล้วก็ครบหนึ่งเดือนไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเลยนะ ก, ก็น่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการนะว่าอย่างนั้นนะครับนะัคือจจะทําให้วันที่หนึ่งมกราคมนี้อาจจะให้สถานประกอบการอะไต่างนี่มาเปิดทําการตามปกตินะครับนะพยายามอย่างนั้นนะครับนะพยายามให้ให้สถานประกอบการอะไรต่างๆจะได้เศรษฐกิจจะได้เดินได้เหมือนกันนะครับนะว่ า, าจะเป็น อย่างไรนะครับนะโดยนายแพทย์ทวีสินก็บอกว่าในในส่วนของอสถานที่ยังจำกัดอยู่ก็คือบรรดาสถานประกอบการอาบบนวดรงน้ำชาต่างต่างนี่ต้องมีการควบคุมกันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของร้านเกมก็ดีร้านอินเทอร์เน็ตนะครับร้านอาหารนะอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็จะผ่อนคลายรวมทั้งโรงเรียนนี่ก็จะเปิดเรียนได้นะสามารถที่จะเปิด เปลี่ยนได้แล้วนะครับนะมีการผ่อนคลายกันมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นการเข้าสู่เฟสที่5นะของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19นะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเรียกร้องนะเพราะไม่เช่นนั้นนี่ก็จะทำให้ในส่วนของเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะาประชาชน ไ ม, ไม่ได้ทำงานหลายคนนี่นะเลิกจ้างกันนะมีคนตกงา น, กนเกือบเจดล้านคนแลครับนะแล้วก็ถ้ายังไม่ให้เปิดกิจการอยู่นี่ก็ไม่มีเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องต้องเร่งด่วนในการที่จ ะ, ะคลี่คลายนะครับคลี่คลายตรงนี้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นนี่ก็เศรษฐกิจเดินไม่ได้ก็จะจะยากเหมือนกันนะครับในะส่วนนี้ใ น, นส่วนของอรัฐบาลนี่คงจะต้อง เร่งแก้ตรงนี้แหละครับเนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็จะต้องมีแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของนะการที่ในส่วนของวงเงินกู้ประมาณ4 0 0แสนล้านนะ ท, ที่ที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับที่ในส่วนของกรนะทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยทางนาะยกงตรีทางรัฐบาลนะให้กระทรวงทบวงกรมเสนอนะตัางโครงการเข้ามาจากกัน เปิดเผยของนายทศพรสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์คือสานักงานาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะก็ในฐานะประธานคณะกรรมการกัน ก, กลองการใช้เงินกู้ก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็มีการรวบรวมจากหน่วยต่างๆนะครับนะเพื่อที่จะให้กระทรวงเนี่ยเสนอเข้ามานะครับนะซึ่งให้กู้เงินมาประมาณ4แสนล้านนะครับและข้อมูล ล่าสุดวันที่22ิมิถุนายนศกนี้ก็มีส่วนราชการเสนอโครงการเข้ามาในรอบที่1รวมทุกแผนงานนะทั้งทุกกระทรวงนี่ประมาณ 43,851 ข้อเสนอรวมเป็นเงินวงเงินประมาณ 1.36 ล้านล้านบาทซึ่งก็เกินนะเกินเพราะว่าเรามาีวงเงินอยู่ประมาณ4แสนล้านแต่ว่า ทางหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆนี่เสน อ, องบเข้ามาถึง 1.36 ล้านล้านนะครับนะก็จะต้องตัดทอนลงไปจำนวนมากแล้วครับนะจะตัดทอนกันกันอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้นี่ก็คงจะต้องให้คณะกรรม ก, การนี่ดูโดยแผนงานที่มีข้อเสนอโครงการมากที่สุดประมาณ 42,000 โครงการนี่เป็นโครงการ ที่เกี่ยวกับการแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนซึ่งผ่านการดำเนินการโครงการและกิจกรรมหรือเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนนะครับมีการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชนนะครับที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเขาว่าวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ภาคบริการอื่นๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนการจัดหาปัจจัยการผลิตก็คงจะเป็นพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับรวมทั้งพันธุ์พืชอะไรต่างงนี้แล้วก็มีการสิ่งอำนวยความสะดวกนะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นและชุมชนนะครับแล้วก็การสร้างช่องทางเข้าช่องทางการตลาดนะจำนวนเหล่านี้แหละครับประมาณ 40,000 ื่นกว่าโครงการ นะที่จากการเปิดเผยของเลขาสภาพัฒน์นะแล้วลองลงมาอันที่ก็คือเป็นโครบแผนงานหรือโครงการลงทุนกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะพัฒนาศักยภาพและก็ยกระดับการค้านะการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศครนะอบคลุมทั้งในส่วนของ นะภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะหลากหลายเลยทีเดียวนะซึ่งตรงนี้นประมาณพันสอง้ยห้าสิบเก้าโครงการซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่าเนื่องจากข้อเสนอนมีจำนวนมากก็จะต้องมีการวิเคราะห์ตั้งอนุกรรมการไปกันกองนะซึ่งก็อาจจะล่าช้าอยู่บ้างนะแต่ว่าก็จะ สามารถวิเคราะห์เสร็จเบื้องต้นภายในวันที่26ิมิถุนาก็จะส่งให้คณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้นะเพื่อพิจารณาให้ทันวันที่1ก ร, รกดาคมศกนี้นะเพื่อนำส่งโครงการที่ผ่านการพิจรารณาให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะในวันพุธที่8ก ร, รกดาคมศกนี้เป็นต้นไปนั่นเป็นขั้นตอนการทางานของของสภาพัฒน์ นะซึ่งตรงนี้นี่ถ้าให้ในส่วนของภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคมนะครับทั้งองค์กรชาวบ้านเครือข่ายปลัดชาวบ้านหรือว่าตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะในการเสนอนะข้อเสนอหรือว่าการกองโครงการก็จะเป็นประโยชน์นะเพราะอยากจะให้โครงการเหล่านี้นี่ตกมาถึงชุมชนอย่า ง, างแท้จริงนะเป็นประโยชน์ต่อกัน กระตุ้นเศรษฐกิจ ใ, ในระบบฐานลากลครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราค่อนข้างที่จะสุดเหมือนกั น, นทางด้านการเกษตรทางด้าน SME เอกระทบกันหนักเกี่ยวกับต้องการท่องเที่ยวทงการโรงแรมด้านอาหารกระทบหนักก็จะน่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุนมาฟื้นฟูนฟกิจาการ SME เหล่านี้นะครับ mm. ก็ถ้ามีตัวแทนของภาคประชาชนประชาสังคมห อ, อกันค้า นะครับตัวแทนวิสาหกิจอะไรต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะจะทำให้การทำงา น, นี่มีประสิทธิภาพนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ คนยังคงยืนเด่น มาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันกันอย่างไรในในช่วงนี้นาะรองนายยงตรีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะไปในงานแถลงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยนะของทกสแล้วครับนะเมื่อวันที่24ที่ที่ผ่านมานี่ก็ได้ มีการคาดการ์นะรรองนายองตรีนี่บอกว่าในเดือนกรกฎาคมศกนี้ภาคธุรกิจก็จะยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะและจะเริ่มทยอยมาปิดตัวนะครับสถานประกอบการต่างๆนะซึ่งนะการส่งออกก็ยังไม่ดีนะรองนายกพูดอย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางมาเที่ยวไทยไม่ได้ทาให ต้องมีแรงงานเนี่ตกงานประมาณ2ล้านรายนะจะต้องเดินทางกลับถิ่นฐานนะในชนบทกลับไปในหมู่บ้านในชนบทเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยนะมีแนวทางที่จะให้กระทรวงหน่วยงานเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานละเพื่อให้คณะกรรมการการกลองนะเงินกู้เนี่ยอนุมัตินะให้กู้ก็ตอนนี้นีนะ่ก็ใช้งบประมาณเสนอไป4ี่แสนล้าน ก็จะใช้ตรงนี้มามามามาใช้ใจ่ายในในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในส่วนหนึ่งพอรองรับแรงงาน2ล้านคนที่จะกลับมานะครับซึ่งตรงนี้จะทําผ่านทกศนะครับนะท่านทำผ่านทกศท่านที่เป็นชาวบ้านเป็นลูกค้าของทกศนะครับก็จะสามารถที่จะใช้บริการซึ่งจากการเปิดเผยของนอายพี่ลมสุขประเสริฐผู้จัดการทรกศนะก็บอกว่าโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยของทกศก็จะทําให้มีเม็ดเงินเนี่ยเติมลงไปในระบบเศรษฐกิจนะประมาณ 3,00 แสนหนึ่งล้านว่าอย่างนั้นนะเป็นเม็ดเงินจากสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะของธนาคารเองประมาณ 20,000 นหกหมืล้านแล้วก็มีงิประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนโดยตรงอีกประมาณ500หมื่นสล้านนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่จะอัดฉีดลงไปในชนบท ซึ่งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยก็มีทั้งหมด3โครงการนะมีโครงการสร้างเสริมความมั่นคงระดับครัวเรือนนะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ปร ะ, ปร ะ, ประมาณหัวเงินห0 0 0 0แสนเจ็ล้านนะะรัฐบาลก็จ ะ, จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 10,000 720ล้านว่าอย่างนั้นเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา ให้เกษตรกร3 0 0 0 0 0ลายสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็สร้างมีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อีกประมาณ2 0 0 0 0นลายนะผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปน3ประเภทนะก็คือพยายามที่จะให้บรรดาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในส่วนของนักทำการเกษตรรุ่นใหม่บางคนนี่ท่านักงานบริษัทนะออกมาแล้วกลับไปอยู่บ้านในชนบทอาจจะคิดทํา าการเกษตรแบบใหม่นะก็กู้เงินทกสได้เหมือนกันอันที่สองคือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนนะเอาประมาณ 70,000 ล้านก็มีรัฐบาลสนับสนุนก็ประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 22,000 ล้านนะครับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 16,000 แห่งนะทั่วประเทศเอาไปลงทุน พื้นฐานด้านการเกษตรอย่างเช่นระบบน้ำโรงเรือนเครื่องจักรนะนะเพราะฉะนี้ก็เอาไปลงทุนนะครับไปทำให้เกิดมากเกิดผลของกลุ่มกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรต่างๆนะครับผ่านสินเชื่อนะธุรกิจสร้างไทยประมาณส0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็มีสินสินเชื่อ SME อีกประมาณ 40,000 ื่นล้านนะเพราะในตรงนี้นี่ก็ค ง, ค ง, ค, งคงเป็นสิ่งที่รัฐทาผ่านทางทกศ แล้วยังโครงการที่3ก็คือโครงการสร้างเสริมเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจฐานลากอีกประมาณ 20,000 ล้านก็จะรัฐบาลสนับสนุนอีกประมาณ2 0 0 0 0นให้สถาบันเกษตรก ร, ร, กรคงจะเป็นพวกสหกรณ์พวกกลุ่มวิสาหกิจ ต, ต่างๆนะประมาณ 7,000 กว่าแห่งนะครับเอาไปการไปรวบรวมการแปลรูปผลผลิตการเชื่อมโย ง, งการตลาดให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจการในการจ้างงานเพราะว่าคนตกงานไปอยู่ในชุมชนก็จะใช้โครงการเหล่านี้นะครับจ้างงานให้คนได้ทำงานแลก็เป็นเป็นโครงการที่ทําผ่านทากศนะและในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษานี่ทาผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆให้มีการเปิดรับชาวบ้านนะมาอบรมอาชีพนะในแักสูตรต่างๆนะครับแล้วก็ไป ประกอบการอยู่ภายในหมู่บ้านของตนเองนะในทุกแห่งนะครับเดียวที่มีมหาวิทยาลัยนะในอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตโคราชหลายๆแห่งนี้ก็ก็เปิดรับชาวบ้านนะครับมีการคัดเลือกนะครับแล้วก็อบรมแล้วก็ให้ชาวบ้านนี่ไปทำดาเนินงานนะก็คงจะเริ่มหนึ่งก ร, รกฎาคมสุนกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่บทบาทของมหาวิทยาลัยผลักดันให บรรดาคณาจารย์นักศึกษาได้ไปสัมผัสกับชุมชนนะได้ไปทำงานในพื้นที่ต่างๆในทุกอำเภอแครับกระจายกันไปแล่ก็เป็นโครงการที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากกันในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการเราชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุรีสาหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนานต้องขอลา ท่านเพื่อก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ให้เธอเก็บไว้ฝากดวงใจให้นอนแม่รัฝากดวงตาและความหวังอย่าชิงชงฉันเลยย้อน ดังผู้สูงที่สูงสุดสอยโป้ยอดรักฉันกลับมาดังชีวาที่เคยลองลอยมาบัด น, นี้ที่เราเฝ้าคอยเจ้านกน้อยโขคืนสุรัง ที่สูงสุดสใยโอโยรัก oh, <coughs> ฉันกลับมาดังชีวาที่เคยลองลอยมาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอยจะลูกน้อยพผลขึ้นสู่รา